ห้าสิบสามติรปน์ติรปนร้านค้าดุกาเน่ดูกาเน่เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาฮัมเอก क्रीडा संबंधित वस्तुओं की दुकान ढूंढ रहे हैं। हम एक क्रीडा संबंधित वस्तुओं की दुकान ढूंढ रहे हैं। 我們正在找一家運動用品店。我們正在找一家運動用品店。 เรากำลังมองหาร้านขายยาฮัมเอกด้ว क ยุคีดูข र นดูนเ ह เหงฮวยุคีดูขานดูนเหเราต้องการซื้อลูกฟุตบอล हम เมเอตบอ ख ขาริดนีฟุตบอลขิดห เราต้องการซื้อซาลามีเรามีาลามีซรอีซหนีเหรเราต้องการซื้อยาเรามียาซื้อหเรามียานีเหรอเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล เรากำुังมองหาร न านขายเนื้อ ह พื่อจะซื้อซาลามีเราก क ลังมอ र หาร้ंนขายเนื้ंเพื่อจाซื้อ रहे हैं เรากาลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามีเรากำลังมองหาे้านขายเนื้อเพื่ न จะซื้อ हम सलामी खरीदने के लिए कसाई की दुकान ढूंढ रहे हैं। राउंगलंग मांग हारान खाईया पहले जस्ट स्यार हम दवाइयां खरीदने के लिए दवाइयों की दुकान ढूंढ रहे हैं। हम दवाइयां खरीदने के लिए दवाइयों की दुकान ढूंढ रहे हैं। ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับแม่เอกแกนนูคีดูข้านดู น, นดาราหูแอกแกนนูคีีหดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพแม่เอกแคเมรีคีดูข้านดูนราหูม่เกแคเมรี ดูนรหหุงดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานแม่เอกเค้กคีดูข่านดูนเรหิหุงอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนแม่เอกอังกุทีขรีดเนจ่าร่าหุแม อีกอันมือที่ซื้อหนังที่จะถ่ายภาพฉันวางแผนที่จะซื้อเกฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก เอกเกขรยเนจาเรียหุทดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนแม่ एक अ อังกุ खरीदने क ี लिए ग อลีกแกะนุกีดูขานดูนร่างหุงแม่เอกอังกุตีขายเนี่ยคือลีกแกะนุกีดูขานีหุง ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์มม่เอกแคมเมรค่ารูล์ซ क ้อไดคเอกแคมเอร์คูอได้ไหมคะแม่เมอร์าร้อได้ไหมคะแม่เอกแค ม, ม, แค ม, ม, มอาราาื้อได้ไหมะม่เอกเ่ซื้อเค้ม เค ख र ी द न े के लिए बेकरी ढ ूดหูรหาหูมแม क เค้กซื้ेได้เลยบิ๊กรีดหูรหาหู